เทาสองยังไม่เท่ากันเป็นที่ฉันที่ยังอยู่ที่เดิมขาดในสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมให้ชีวิตที่ยังต้องก้าวไปไม่กอดคอึ้นตายแน่นอนขอตายก่อนให้เธอนอนหลับสบายแล้วฝันดี รักของฉันไม่ใช่การทดลองก่อนจะพร้อมรักเธอในวันนี้จะจากไปเพื่อกลับมา ฟันกลายเป็นจริงแสงบัญอย่างยังไม่พัานชนาให้เวลาต่อเติมไม่เนินนานดวงม่ร้ายอาจเจ็บนักเธอเรา สบายและฟันดีรักของฉันไม่ใช่การทนลองก่อนจะพร้อมรักเธอ